อดทนต่อการฝึกฝนให้นักเรียนทั้งหลายเพิ่งทราบว่าวันนี้จะทำธุระทางจิตโดยมากชาวนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนโดยมากไม่คอยจะรู้จักว่าการทำสมาธินี้คือทำอย่างไรแน่ก็ททำให้มันเป็นประโยชน์อะไรต่อไปอย่างนี้ พุทธศาสนา่านิพชนเราทางายโดยมากไม่ค่ยรู้จักแต่รู้อย่างอื่นมากกว่านี้แต่สิ่งนี้มาไปจะรู้เพราะามันเป็นงานที่นั่งหลับตาคล้ายๆกับคนโง่อย่างนี้เอาตั้งใจฟังต่อไปอ่าการทําสมาธิวันนี้สมาธินี้เป็นหลักอันหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าของเราที่ได้บรรลุธรรมะ อันเป็นธรรมที่มนุษย์เทวดาทาั้งหลายนั้นหาพบไม่ได้ซึ่งเป็นอาการที่ต่อต้านกิเลสมาตลอดทวุกวันนี้ยังมีเชื่อสายมาอยู่ติดตามมาอยู่นั้นศีล ส, สมาธิปัญญานี่เป็นแกนของพุทธศาสนาแต่ว่าวันนี้ จะไม่พูดถึงศรรีลไม่พูดถึงสมาธิถ้าพูดกันไม่พูดถึงปัญญาพูดแต่เพียงว่าสมาธิเพราะปัจจุบันนี้จะนํารักเรียนทําสมาธิเรื่องศีลเรื่องปัญญานั้นเพื่อจะอธิบายภายหลังในปัจจุบันนี้ก็เนึกว่าทํำเลยอืทําเลยเข้าที่เลยหนึ่งให้รู้จักว่ากายของเราอย่างหนึ่ง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 สิ่งทั้งหลายมันรับรู้มันมันส่งมาถึงจิตจิตเป็นผู้ทํางานใหญ่มหาศาลตาเห็นรูปที่เข้ามาเวี่ยงให้ผมกฟังเสียงเขามาเวี่ยงให้จมูกลมกลิน่นริมรถฝนจะฝาเขามาเวียงให้จิตเป็นผู้ทํางานทะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเห็นว่าถ้าจิตไม่ฉลาดแล้วก็เสียดีเท่านั้นเพราะจมนุงงานทั้งปวงมันอยู่ที่จิตเราจิตของเรานี้ ทำไมถึงจะทำเป็นสมาธิจิตของเรานี่มันหลายอารมณ์มากจนเกือบจะเราว่าแม้มันหลายจิตหลายใจเหลือเกินไม่ใช่อย่างนั้นจิตใจไม่หลายจิตหลายใจเราอารมณ์มันหลายอารมณ์ตั้งหามจิตมันก็อันเดียวเนี่ยคือผู้รู้อันเดียวเท่านี้แหละบางทีคิดเป็นนู้นบางทีคิดอยากได้อันนี้บางทีคิดอยากทิ้องอันนั้นก็นึกว่าหลายจิตหลายใจ อันนั้นเราพูดผิดแล้วเข้าใจผิดจิตใจไม่หลายอย่างนั้นไม่มากอันนั้นมันวิ่งไปตามอารมณ์มาหลอกมันไปฉะนั้นเมื่ออเราแบกของหนักๆหลายอย่างมาพะลวงพลังมันลาบากมากบัดนี้เรามาทิ้งมันซะเอาเหลือไปทิ้นเดียวเราก็แบกง่ายวันนี้ก็ต้องการอย่างนั้น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 เาว่าสภาพที่จิตจุดนิ่งนั้นพวกเรายังไม่เคยพบมีจะคิดไปตามอารมณ์เรื่อยเปื่อยไปทางนั้นเนี่ยอย่างนั้นปัญญาถึงไม่ค่อยมีถึงมีก็เป็นปัญญาอย่างเอาตัวไว้ไม่ได้ถึงแม้มีความผิดเกิดขึ้นมาก็ชอบความผิดนั้นนั้นจะไม่ทำความผิดนั้นไม่ได้เพราะกําลังผิดกั่มันน้อยก้านทานไม่ไหวฉะนั้นวันนี้จ่ายทิ้งอารมณ์ทั้งหมด จะให้รืออารมณ์อันเดียวถ้ามีอารมณ์อันเดียวเยมันก็สนุกจากอารมณ์ในหลายอย่างมันก็เป็นอันเดียวเราจะเห็นจีของเรา <c oughs> นี่อ่าการนั่งให้ตรงสภาพเทียบก็ตามนั่งให้สบายออืเอาทํานั่งเลยเอามือขวาทับมือซ้ายฟังไปเรื่อยๆไปเออนั่งกายให้ตรงอืนั่งกายให้ตร ง, น, ง, ตรงนะ อ้าให้นั่งให้เสมอข้าประทานดูข้าประทานข้างหน้าเหล่านั้นท่านนั่งอย่างไรท่านโคม้มท่านเงยขึ้นแค่ไหนอะไรเป็นอย่างไรนั่นเอานั่นเป็นตัวอย่างนะ <c oughs> แล้วก็ดับตาจะไปนิ้นตาให้มันแรงนะดับพอพอสบายอย่าให้มันลำคาวันนี้ให้ปล่อยวันนี้ให้ปล่อยภาระทุกอย่างให้คิดว่า เรานั่งในสระนี้เดียกว่าเรานั่งคนเดียวไม่มีหลายคนนั่งคนเดียวแค่ไหว่าเรานั่งคนเดียวอยู่ในกลางป่ากลางดงอะไรต่งางๆนั่นนี่น่ะป่าเราทำความสงบไม่ต้องํำคากับคนอื่นครับ <c oughs> แล้วก็หลักการที่จะปฏิบัตินั้นก็คือลมเมื่อเรานั่งตรงนี้แล้วไม่ให้นมันกระทบ ทางหน้าทางหลังตรงดับตาลงสักนิดหน่อยแล้วก็กลมเหมือนพระประธานพอดี <c oughs> แล้วก็ร่นหายใจหายใ จ, ยใจดูนี่ว่ามันยังไงเห็นไหมลมหายใจยกำหนดกปรมหายใจไปยังไงมีไหมเราหายใจให้มันสบายอย่าให้มันยาวเกินไปอย่าให้มันสั้นเกินไปมันสบายยังไงเอาอย่างนั้น เอาตรงที่มันสบายใครมันชอบยาวหน่อยก็ายาวหน่อยชอบสั้นหน่อยก็สั้นหน่อยอย่าให้มันแรงอืมแล้วก็กาหนดลมหายใจหนึ่งหายใ จ, ห, ห, ายใจหายใจเข้าไปต้นลมคือที่ปลายจมูกเราดึงริมฝีปากข้างบนลมส่วนไหนมันถูกต้องกับกาหนดตรงนั้นรู้นี่เบื้องต้นของลมที่จะเข้าไป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 กำหนดตามการหนึ่งสองสามนี่ลมเข้าไปลมออกหนึ่งสองสามพอจะบอกกำหนดรู้ว่าที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่เท่านั้นแหละเอาความรู้สึกของเรานั่นแหละกำหนดตามลมนี่ไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามให้กำหนดรู้ว่าที่นี่ก็รู้ที่นี่ก็รู้ที่นี่ก็รู้เรียกว่าเรากำหนดลมหายใจ คำว่ากำหนดนั้นก็คือให้รู้ตามลมที่มันเข้าไปว่าต้นลมหยุดตรงนี้เมื่อมันเข้าไปกลางลมอยุดที่ฮะไทยปลายลมอยู่ที่สะดือนี้เมื่อหายใจออกให้กำหนดเฉยๆว่าต้นลมหยุดตรงนี้กลางลมหยุดตรงนี้ปลายลมอยู่ตรงนี้นะที่นี้ต่อไปนั้นถ้าหากว่าเราอยู่ที่นี่ก็รู้นี่ก็รู้นี่ก็รู้นี่ก็รู้นี่ก็รู้ชัดเจนในความสงบนะ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 ไอ้ตอนนี้แล้วก็รู้นี่ก็รู้นี่ก็รู้จนมันคล่องตัวแล้วนะที่นี่ก็ไม่ต้องตามันไปยังไงก็ได้จับอยู่เนี้ยลงอยู่ที่ปลายจมูกหรือริมสีฝาอะไรมันออกไปก็ตามมันได้ไอ้รู้อยู่ตรงนี้มันเข้าไปก็ช่างมันไม่ต้องตามันทีนี่สบายเ ก, ก่าเก่าทีนี้มันงานงานนี้ละเอียดเก่าเก่าแล้วไอ้เจาะอยู่ตรงนี้พอแต่เรารู้สึกมีสติสติคือความระลึกได้ยอยู่สัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่เดี๋ยวนี้เราทําอะไรอยู่เดี๋ยวนี้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 การ ง, งานในเวานี้คือให้เรารู้เฉพาะตรงจะเข้าออกเท่านั้นเรียกปล่อยให้สบายนสั่งทำาะไรแนบต่อไปนี้ทาเลยจะอธิบายไว้สักหน่อยฟังฟังไปด้วยแนะนำฟังไปด้วยทำไปด้วยทำเลยนั่งให้สบา ย, หยาให้มันตรงให้มันกดอดเรยวะอใน อ, อีกหนึ่งก็เงียบเงียบออกกาหนดเดิน หนึ่งสองสามให้คำนดดมเฉยเฉยเสียก่อนเพื่อเราจะรู้ว่ า, าขานาดไหนมันจะเหมาะยาวแค่ไหนสั้นแค่ไหนมันจะเหมาะกะับกระดิของเรา <c oughs> เหมือนกับเราฝึกหย็บจักรใหม่ๆไม่ต้องหย็บท่าเอาท่ า, รากระดิบจักรเปล่าๆเฉยเฉยก่อน มันคล่องตัวซะก่อนนี่เราก็หายใจเฉยๆเสียก่อนเนี่มันคล่องตัวซะก่อ น, น, ว, อนว่ามันพอดีแค่ไหนเอาขนาดไหนแล้วไปเอาสติมาวางลงตามลมใต้จมูกนี้อาตัยจะดือ้อจะดืออัตัยเจมูกเรื่อยไปจนมันคล่องตัวแล้วก็ปล่อยไม่ต้องตามมันให้รู้จักรลมออกลมเข้าเท่านั้นลมหยาบลมละเอียดเท่านั้นพอๆแล้วไม่ต้องคิดอย่างอื่น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 กำหนดความรู้ไวเฉพาะริมฝีปากในเฉพาะรอบๆด้านหน้าของเรานี้มีความรู้สึกไว้เอาเตรียมทำในเต็มที่นะเออนี่แหละให้เข้าใจว่าขั้นตอนครั้งแรกบางคนก็ถามมานั่งสมาธิเราเห็นอะไรไมไม่เห็นอะไรคือไม่เห็นทุก นี่เด็กคนเรานะเดินไปเดินมาเราทุกวันนี้แล้วอมทุกข์ไว้ไม่เห็นมันถ้าหากว่านั่งอย่างนี้มันทุกข์แล้วก็พลิกครั้งนี้เสียทุกข์ก็หายไปสู่เกิดขึ้นมาเราก็ประมาทกันแล้วนึกว่าเราไม่มีทุกข์เมื่อนั่งไปพักหนึ่งอีกมันเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วก็พลิกไปครั้งนี้เสียทุกข์ก็หายไปก็นึกว่าเราไม่มีทุ ก, ก, ก, ทกข์เนี่ยทุกข์มันตามพวกเราอยู่อย่างเนี้ยแต่เราก็ไม่คอยเห็นทุกข์กัน เนี่ยยังยังยังเ ย, ย, ย, ย, ย่่อยๆมันถึงอย่างเนี้ยถ้านั่งพุบลงไปน่ะทุกอิริยาบถนี้มันบังทุกการนั่งการยืนการเดินการนอนเนี่ยเดี๋ยมันบังทุกไว้เดินเกินไปไหนมันทุกกว่าหยุดนอนซะเกินไปซะมันทุกแลก้วกระดุกขึ้นมามันก็หายทุกมันก็มีสุขเดี๋ยมานั่งอยู่ก็เป็นสุขนั่งนานๆก็ทุกอีกก็พลิกข้างนี้ไปอีกมันก็ทุกก็หายไป ที่ข้างน้นข้างนี้ยังมันกทุกข์มันก็มีอยู่นั้นเนี่ยเนี่ยก็ลาคาดทุกเดินไปอีกก็สบายไปเดินให้มากก็ทุกข์อีกแล้ยวยก็หยุดอีกก็สบายอีกอย่างนี้แหละอาการทางหลายเหล่านี้เนี่ยมันปิดทุกไว้ที่พวกเราทางหลายมีความประมาทอยู่ไม่เห็นทุกข์ขนาดทุกข์ขนาดนี้ก็ยังไม่เห็นแล้วอย่างอื่นนอกนี่ไปมันบังอยู่อย่างนี้ วิทยาบทมันบังทุกไว้ทุกเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเราเพราะเราบังคับเปลี่ยนมันซะมันก็มีแต่สุขเราก็เพลอไปไม่มีทุกข์อะไรนี่อันนี้มันบังไว้เราไม่เห็นว่ามีอะไรบังเราอยู่เราก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เมื่อนั่งมันทุกข์เราก็พลิกไปก็หายไปแล้วสุขเกิดขึ้นมาก็เพลินไปอีก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 ไอ้ความแก่มันซ่อนอยู่ในนี่เมื่อเรามองมาเห็นก็อยู่เป็นนานทีมจะปผล่ขึ้นมาให้เห็นแล้เนี่ยใจก็เพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นรดยอย่างนี้อ่าเรามาเห็นอันนี้พูดจริงจริงมันบงังอันนี้จะพูดถึงการทำสมาธิอันนี้มันก็คล้ายๆจิตเราเนี่ยมันเหมือนกับปลามันอยู่ในนา้า เมื่อเราจับมันเบี่ยงขึ้นบนบกมันก็ตะเกียกตะกายไปหาน้ำเพราะมันเคยอยู่ในน้ำก็เราปล่อยร่างกายได้ตามสบายตามวิทยาบทมันก็ไม่เห็นทุกข์มันก็สบายเมื่อเอามานั่งอย่างนี้มันก็มันก็ทำเราเอาสินะเป็นโน่นเป็นนี่สารพัดอย่างนี่นี่มันเป็นใจอย่างนี้ได้การทาสมาธิมันก็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 หาเราเรานั่งเป็นนานๆจนจิตของเราสงบไม่มีอะไรเลยมันดิ่งตลอดนี่เนี่ยมีความรู้อยู่ตั้งกีชง่ชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นยังไงขนาดเรานั่งประเดียวประเดาเนี่ทุกมันกวนเราเรือเกินถ้าดันนั่งประเดีย๋ยงชงั่วโมงสองชั่วโมงทุกไม่กวนท่านจิตของท่านจะเป็นอย่างไรนี่เราคํานวณเอาละแต่เรานั่งประมาณเท่าไรเนี่ยไม่ถึงสามสิบนาทีมั่งเนี่ยขอแขกขอแขกขอแขกขอแขกแล้ว เนี่ยมันเป็นยังไงฮนะก็เท่านี้แหละเราไม่มองเห็นตัวของเราเนียทุกวมื่อเพิ่งจะโผล่ขึ้นมาอยู่ด้วยจิตนี้นะจิตนี้เราฝึกจิตนี้จิตคืออะไรนะจิตนี้มันคืออะไรจิตนี่คือผู้รู้สึกจะไปถามหาตัวหาตนมันจริงๆมันก็ไม่มีมันคือผู้รู้สึกรู้สึกอารมณ์ ผู้ที่รู้สึกอารมณ์นี้เรียกว่าจิตแต่จะถามไปจริงๆจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรเห็นมันคืออะไรไหมนั่งเมื่อกี้เห็นมันคืออะไรไหมแต่มันเป็นผู้รับรู้อารมณ์สารพัดอย่างคือผู้รับรู้สิ่งทางปวงจิตนะลักษาจิตเป็นงั้นถ้าจะถามกันไปจริงจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้ไม่คืออะไร มันเป็นอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีใครเห็นมันหรอกแต่เป็นแต่ความรู้สึกขึ้นมาอย่างนั้นในผู้รู้สึกนั้นมันจะเป็นอย่างไรมีความรู้สึกขึ้นมาแล้วนะในผู้รู้สึกนั่นมันมีอะไรบ้างมันไปเกาะเกี่ยวอะไรบ้างนี่ตัวนี้แหละมันทำให้พอลำมันมันมันมันมันเป็นประสาทไม่หยุดวิ่งไปวิ่งไปตามรวมเดียวกระดงกบ้านเท่านั้นแหละเ ONA, น็กระทิ้งการเรียนเท่านั้นเลยนะ ในอารมณ์ที่ชอบใจมันก็วิ่งไปตามอารมณ์โดยการเปิดเปิดเปิงไปเลยไหนๆมันก็มาดูหนังสือก็มีตาตากับหนังสือจ่อกันอยู่เท่านั้นเนี่ยไอ้ตัวที่มันรู้มันวิ่งไปที่ไหนก็ไม่รู้อืมไยมันก็ห้านอนเท่านั้นแหละเอ้มันจะได้เรื่องอะไรีจิตไม่อยู่กับเราเนี่ยมันสงสารตาบัางสิเอามาไปจ่อหนังสือมันจะรู้อะไรมันก็เห็นเฉยๆเท่านั้นมันจะมีปัญญาทีตาเลย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 ถ้าเราไปตะคุบจับมันมาได้เอามาดูหน้าดูตาท่านั้นเนี่ยตายแล้วใครไปฆ่ามันนี่ลักษณะจิตไร้มันฆ่ามันถ้ามันกลัวมันกลัวจนตายก็ได้เหมือนมนุษย์เราทั้งหลายเนี่ยอเมื่อมันเสียใจร้องไห้ก็ได้น้าตามันไหลออกเมื่อมันดีใจเกินไปน้ำตามันก็ไหลโอ้ยใช่ไหมคือมันมาอยู่สภาพอันพอดีฉะนั้นทําอย่างนี้แต่ว่าทําจิตให้มีกําลัง จิตที่มีกำลังจิตต้องถูกหยุดจากอารมณ์เงียบสงบอยู่นี่จิตทากาลังให้มีกาลังขึ้นไม่ใช่ว่าปล่อยจิตคิดไปสารพัดอย่าง อ, อันนั้นทาลายจิตเจ้าของไม่ให้มีกำลังเมื่อเราคิดก็ให้มันคิดเมื่อเราหยุดก็ให้มันหยุดเมื่อทำการงานอันนี้ก็ทำการงานอันนี้เมื่อเลิกอันนี้ก็เลิกอันนี้ทำอย่างนี้ถ้าจิตถ้าเราหยุดแล้วเวลานี้เราทำอันนี้อยู่ มันก็อยู่ ก, การงานอันนี้เมื่อเราเลิอกอันนี้เราก็เลิอกอันนี้ไม่ใช่ว่าเราทําอย่างหนึ่งอยู่เดียวไปคิดถึงอย่างหนึ่งอย่างนั้นมันจิตไม่ได้ฝึกปัญญาไม่เกิดแล้วนี่เราทําจิตให้หยุดนิ่งในอารมณ์อันเดียวมันเกิดประโยชน์มากทีเดียวแล้วจิตนี้อืทุกอย่างท่านอิกรายทํากายให้มีกําลังนะไม่ต้องทําอย่างนี้ตอนเช้ามาต้องออกวิ่ง หลายกิโลนะต้องยกของหนักยกขึ้นยกลงให้มันเคลื่อนไหวนั่นทํากายให้มีกําลังต้องทําอย่างนั้นทำจิตให้มีกําลังจะไปนั่งคิดนอนคิดอะไรวุ่นวายหน่อยนะในแตเสียคนเท่านั้นเะนะี่ในแต่เสียคนคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาแล้วก็วิ่งไปตามเท่านั้นนะเนี่ยทําจิตที่ไม่มีกําลังกายหนึ่งเราอาศัยก า, ยกายกับจิตเท่านี้อาศัยอยู่ถึกวันนี้ ทำจิตให้มีกำลังก็ทำกายให้มีกำลังเท่า น, นั้นการงานของจิตนี่มันมากจะมากเหอเกินเลยมันทำงานในโลกนี่ทั้งหมดรอบตัวของมันในตาหูจมูกลิ้นกายมีใจเป็นผู้ทำงานอย่างเดียวที่สุดรับรองอฉะนั้นเมื่อจิตได้ไปจดจ่อในอารมณ์อื่นนอกจากอารมณ์นี้จิตนั้นไม่มีกำลังฉะนั้นอาณาปานสตตินี้เป็นกรรมฐานที่เป็นอารมณ์เรียกว่าอารมณ์ของกรรมฐาน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 กำหนดดูมหายใจเขาออกเจอกำหนดวางข้างนอกหมดจิตมันมีกำลังมากอันนี้นี่ทำที่ไหนก็ได้นี่ทำที่โรงเรียนในโรงบางว่างก็ได้สมาธินี่เป็นเดียววิญญาเกิดนะเท่นั้นเคยไหมนะเราเขียนข้อความอะไรต่างๆมันจิตขาดไม่ได้บางทีเรากดสะกดจิตกำหนดบางทีนั่งคุยกันใน ห, หลายคนนี่ยมันลำคาญมันจะทำมันนั่นไม่ได้แล้วจะแงะหน้าออกไปกำหนดนั่นแหละทำสมาธิเนี่ย เดี๋ยวกมคิดขึ้นมาได้แล้ว น, น, นั่นยนเนี่ยอย่างกําหนดอย่างเดียวกัน น, นั่นแหละที่นี่ทหาว่าเราเป็นนักเรียนนะเราประกอบสมาธินี่เข้าไปในะยิ่งว่องไวเนี่ยขณะที่ราติดปัญหาตอนเรากำหนดวนนี้มันก็ยังมีผลนะดูธรรมดานี่เนี่ยเอากำหนดแต่มันซึ่งไปดวยกันั้นอีกมองเห็นกันไปอีกอย่างนั้นนอันนั้นเียกว่าเราคิดคน้นมันฟูขึ้นมาอันนั้นเียว่าเราทําเราทําความรู้อันหนึ่งแต่เราไม่รู้หรอก เราทำความรู้อันหนึ่งให้เกิดขึ้นมาเหนือรู้ที่มันมีอยู่ปัญหาอันนี้เราจึงแก้ได้นะถ้าหากว่าปัญหาอันนี้ถ้าความรู้ขนาดนี้มันแก้ปัญหา น, นี้ไม่ได้อย่างเรานั่งอยู่เฉยๆดูคิดไม่ออกเรากำนัดต้องไปอีกความรู้อันหนึ่งอีกว่าเราสร้างความรู้อันหนึ่งขึ้นมาอีก <ừ. S 1> ในทางพุทธศาสนาสร้างยานใหม่ขึ้นมาสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาเพราะความรู้อันนี้มันแก้ปัญหาไม่ได้แล้ว มันได้มาอย่างนั้นแต่น้อยเท่านั้นเราก็มีเราปรากฏการ์อยู่แต่เราไม่พิจารณาหรือเราออกไปในที่บุ่นวายแล้วเป็นตัวเรากำหนดมันก็คิดได้ง่ายเพราะคนไม่บุ่นวายเราจะทําเลขทําคิดเลขอะไรต่างๆมีคนเจ้าห้าคนจีบคนพูดกันอะไรวุ่นวายอยู่คิดได้ง่ายๆไหมถ้าเราออกไปข้างนอกสค่พักหนึ่งเงียบตั้งใจอยู่คนเดียวเนี่ยปัญญามันเกิดเที่ยวเพราะฉะนั้นสินี้ก็มีอาการอย่างนั้นคือทํากายจิตของเราไมา่มีความผิดไม่ให้ขวบแขงสงสัย ทีนี้เมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่มีความผิดในในกายวาจาเราแด้เป็นจิตมันก็สงบจิตไม่มีเรื่องอะไรจิตเพสบายเพราะความผิดไม่มีเนี่ยอาธิปัญญานี้ถ้าเรากล่าวเป็นบทบาทมต่อคนในอย่างเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาถ้าหากว่าเรากล่าบให้มันรวมกันแล้วก็คือมีหลักสามหลักท่านี้ยสามจริงแต่มันแต่ประมันทํางานรวมกันอย่างนี้ทํางานอันเดียวกันชิ้นเดียวกันนี้ ให้ความสงบเกิดขึ้นมาให้ปัญญาเกิดขึ้นมามันชิ้นเดียวนี้เหมือนที่ 3, ม่ายเาสามม่ายสมเศ้าอย่างเงี้ยเอาอันเดียวมันก็ไม่ได้สองก็ไม่ได้สามแต่ว่าเป็นสามก็จริงเป็นศีลก็จริงเป็นสมาธิก็จริงเป็นปัญญาอย่างชื่อมันแต่ว่าห้าสามอย่างนี้มาทํางานรวมอันเดียวกันแล้วเกิดผลขึ้นมาเราจะเห็นว่าอันนี้มันทํางานร่วมกันอันเดียวนี้เราจะเรียกว่าธรรมะอันเดียวก็ได้ ขีนก็ช่วยกําลังหนึ่งสมาธิก็เป็นกําลังหนึ่งปัญญาก็เป็นกําลังหนึ่งมาทํางานร่วมแดงเดียวกันกลมเกลียวก็เป็นอันเดียวกันเรียวมมกว่ามรฆาสามะคีคือความสามะคีเกิดขึ้นเมื่อรายเป็นทุนนั่นแหละไการกัตติรู้ทำเมื่อไรมันก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นเมื่อเมื่อความสามะคีเกิดขึ้นมาเหมือนพวกเราท่ทานทั้งหลายเหมือนกันเมื่อมีควา <c oughs> มสามะคีกันเมื่อไรสบายเลยอืมอ่ะ อย่างนักเรียนหรือครูโรงเรียนเนี่นั่นแหละเมื่อครูสามัคคีกันนักเรียนสามัคคีกันในโรงเรียนนั้นเกิดความสบายขึ้นเดียวนั้นเมื่อนักเรียนไม่สามัคคีกันครูไม่สามัคคีกันไปคนละทิศเดีะทางมันจะสามัคคีกันเลยมันก็ไม่สงบเท่านั้นนยนี่ครูก็ดีนักเรียนก็ดีเป็นต้นห้คกรมกลืนเป็นอันเดียวกันครูก็ดูจากหน้าที่ของครูนักเรียนก็ดูจากหน้าที่ของนักเรียน ต่างคนต่างทําหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์เดี๋ยวปัญหามันก็ไม่เกิดขึ้นเท่านั้นแหละอันนี้ก็วันการฉันนั้นการทําสมาธินี่มันการเป็นตนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วนะไอความดีทางหลายมันก็เด่นเกิดขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยตรงที่มันช่วยกันสมามีนั้นไม่พูดถึงอย่างอื่นย่อเข้ามาอีกทีหนึ่งย่นตัวเข้ามาเป็นตัวของเรานี้ เมื่อดินเมื่อน้ำเมื่อไฟเมื่อลมเมื่อธาตุทั้งสีน่นี้มันรวมสามัคคีกันเป็นอเดียวกันแล้วร่างกายนี้ก็สดใสสบายนี่ก็ราะความสามัคคีในร่างกายถ้าร่างกายนี่ไม่าสามัคคีไปแลยไฟมันแรงไปลมมันน้อยไปซนะดินมันมากไฟซะอะไรไปไหมอย่างนั้นมันสามารถทําอะไรไม่สําเร็จขึ้นเหมือนกันกันกบมนุษย์เราทาั้งหลายคนจากสิบคนนี้ช่วยยกก้อนหินสักก้อนหนึ่งหรือท่อนไม้สักท่อนหนึ่งซะสิบคนอ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 อัดต่างๆเป็นต้นต่างอกต่างใจครูก็ต่างใจสอนนักเรียนก็ต่างใจฟังเท่านั้นแหละลองซิทําให้ดีไปทําดูเถอะโรงเรียนนาดีเนี่ยลองสิมันก็ดีเท่านั้นเนี่ยไอ้ออความดีนี่เนะี่ยมันดีทุกคนมันก็น่าเอาไปพิจารณาวันนี้นะไอ้ความดีทุกคนต้องการความดีทุกคนนักเรียนก็นต้องการความดีความรู้ครูก็ต้องการความดีความรู้ ะแต่ความรีนั่นมันเกิดจากความสามคัคคีถ้าสามคัคคีไม่พร้อมกันเถอะมันก็ดีเท่าไดมันก็ดีไม่ได้ก่นั้นเนี่ยนี่คือธรรมะมันเป็นอย่างนี้ออันนี้ในะหน้าที่ของหน้าที่ของแต่ละหน้าที่นะอันนี้นักเรียนก็ต้องพยายามทำนยพยายามธทำคารพยายารรรในการเรียนครูก็ต้องคารพในการระเบียบตินัยของเราทุกๆุกคนแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนะ มีคุณะพิเศษอย่างหนึ่งนะครูบางทีพูดแดงรงไปบ้างเราก็ให้อภัยแก่ครูบ้างเพราะว่าท่านเป็นครูเรานะแต่ว่าครูก็อย่าดุรแรงเกินไปเห็นเราเป็นครูเขาอย่าให้ดุนแรงเกินไปนะให้มันพอเหาะพอสมกันนักเรียนก็เอาเอ า, เ อ, า, เ อ, า, เ อ, าอำนาจเสมอก้อครูกว่าไม่ได้เราเป็นเด็กน้อยนะ คาราโบจะนิวาโตจ่าสันตุทิจกตันยูตาครรอบไปบั่งอย่างคนแก่พูดผิดผิดถูกถูกก็ห้ไปเถอะคนแก่อย่างนี้มันก็สบายไปแล้ว <c oughs> น่ะทํางานตรงหน้าหลงหลังไปลก็ให้เถอะคนแก่เรารู้จักอย่างนั้นกําลังของคนแก่เพียงไรเราก็รู้จักกําลังของคนแก่คนหนุ่มวิ่งไปแปดกิโลให้คนแก่วิ่งไปได้แปดกิโลมันกันมันก็สู้ไม่ไหวแล้ว นะให้รู้จักกำลังอย่างนี้หรือประการหนึ่งเช่นาาว่าถ้าฮาวดีที่สุดเป็นธรรมะพ่อบังเกิดเข้าของเรานะเป็นพ่อเราสมมติได้ฟังไนะนะเลี้ยงเรามาจนใหญ่จนเติบโตจนในการศึกษาเราเรียนเตียมที่แต่แกเป็นคนกินเหล้านะแกเป็นคนกินเหล้าไปทคนิ้ก็โรเลยทีนั้นห้ามก็ไม่ฟังแกก็เอาของแกอยู่แล้นะเราจะเอาไงถ้าเป็นถ้าพ่อเราเป็นเอาไปฆ่าทิ้งเลือย นี่แล้วก็คิดยัง ม, มันก็เรื่องของแกนะเรื่องแกกินเล่าก็เรื่องของแกก็ตามของแกเรื่องคุณของแกนี่นเลี้ยงเรามาน่ยทิ้งไม่ได้นี่ไ แ, แล้วต้องยกไว้เป็นพ่อเราอย่างเกา่าอันนี้เป็นทางดีที่สุดที่นี่เมื่อครูผิดพลาดไปบางครั้งก็ให้อภัยอันนี้ก็เป็นครูเราหวังดีต่อเราอย่างนี้เป็นต้นเราเป็นนักเรียน ตบครูก็เหมือ น, นพ่อกับลูกนั่นเองให้อภัยกันได้อย่างนี้มันก็เป็นธรรมะเอันนี้กรมือนกันปัญญาที่จะเกิดเช่นนี้ก็เพราะการมีธรรมะการฝึกธรรมะอย่างนี้อืไอ้ผลงานที่จะเกิดขึ้นที่ดีนั่นอันนี้ก็เพื่อรากเงาข้าวมูนมันก็คือศีลคือสมาธิมีปัญญาถึงเนี่ยจะเป็นธรรมะเป็นต้นนี่เดี๋ยว่าศีลธรรมเรียกว่าศีลธรรม ไม่ได้พูดถึงว่าให้ละอะไรทั้งหมดะละจะสิ่งที่มันไม่ดีอถ้าหากว่าผลที่สุดในทางพุทธศาสนาดีชั่วทต่ไหนละหมดเราไม่ถึงขั้นนั้นเราถึงขั้นทําจิตใจของเราให้เยือกเย็นให้เป็นกุศลให้มีความเมตตาสงสารให้อภัยกันได้เป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นเรียกว่าศีลธรรมให้มันถูกต้องหรือเป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้สอนง่ายาให้สําลึกในตัว บ, บ่อย ถ้าหากว่ามันไม่ค่อยสบายกขามานั่งสมาธิเสียกราบพระแไป น, นั่งสมาธิกำหนดลงไปครูก็ตามนักเรียนก็ตามแล้วกินไปเรียนไปสอนนักเรียนเด็กจะเป็นโรงเรียนทุกวันนั่นถ้ามากันมากราบพระไฟก็ให้กลาบพระตอนกลางคืนมาก็เห็เวลานั่งสมาธิสักพักหนึ่งให้มันพยายามติดต่อกันเมื่อเราเดินไปเดินมาก็ให้มีสติสตังไว้อะไรมันผิดพูดผิดไม่พูดอย่างนี้ถูกไหมผิดไหม เป็นด้วนคนอื่นนังเปลียดไหมอะไรไหมต้องมีสติสัพพัญญายควบคุมตัวอยู่เสมอนั้นดังนั้นจึงเป็นจิตที่มีผู้รู้ตามรู้ตามเห็นเป็นผู้ภาวนาอย่างนั้นมันถึงดีได้ทําองรู้สึกตัวอยู่ทุกอย่างอย่าไปเข้าใจอย่างอื่นนะถ้าเรามีธรรมะจริงๆแล้วมันไปในได้ครับมันทําชั่วไม่ได้สถานที่ทําชั่วไม่มีสถานที่ทําผิดไม่มีเรื่องเรื่องธรรมะนะเราจะไปทําทชั่วอยู่ที่ไหน อคนทุกๆคนมันเจาะเห็นอย่างนี้นะเป็นลบๆทําช่บางทีมันคิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมากลัวพ่อจะเห็นกลัวแม่จะเห็นกลัวครูจะเห็นกลัวนักเรียนจะเห็นอะไรเนี้เป๊ะแบบทําช่กลางๆเพื่อคนมาเห็นเนี่ยนะแอบทำอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าทําอะไรทําผิดๆเนี่ยกลัวคนจะเห็นกลัวครูจะเห็นกลัวนักเรียนจะเห็นกลัวพ่อแม่จะเห็นกลัวคนอื่นจะเห็นหากว่าจะทําความชั่วอย่างไรอย่างนี้ คิดอย่างนี้ต็ห น, นี้ไปหาสถานที่ไม่มีใครเห็นเราก็ทําทําแล้วก็นึกว่าไม่มีใครเห็นเราก็ดีใจเนี่ยนี่คือคนคนโง่เป็นอย่างงั้นทำไมคนจะไม่เห็นล่ะใครเป็นคนทำํำที่ที่ทําไม่ใช่คนอหรือเราไม่ใช่คนเหนือนี่มันดูถูกตัวเราเกินไปไปหาที่ไหนคนไม่เห็นถ้าเราทําำ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 ให้เข้าใจว่าในเวลานี้เราเป็นลูกคนถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้สักขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่ว่าความฉลาดยังไม่พอไม่พอความฉลาดไม่พออย่างวันนั้นก็ไปในวังเจ้าฟ้าชายสมารเฝ้าท่านเรียนว่าจะทำยังไงดูชายมันใจร้อนคนอายุขนาดนั้นมีความรู้กว่าจริงแต่ความฉลาดไม่พออัตมา ต, อ, ตอบว่าจริงความรู้มาก แต่ความฉลาดไม่พอเพราะว่า อ, อายุวัยเรายังในครอบที่สูงแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนแต่ก็ให้ทําเพียรไปให้นั่งสมาธิไปให้อาศัยธรรมะเรื่อยๆไปท่านาร้อนบุกชายในใจร้อนมากจะทำยังไงดนะีแอบยิงธรรมะเรื่อยไปอย่าตามใจจะของเกินไปให้ระมัดระวังตัว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 ผู้ใหญ่เป็นยังไงอย่างแท้จริงเราไม่รู้จักบัดนี้เราเป็นนักเรียนนะเราเป็นผู้เรียนหนังสือว่าหน้าที่ของครูอย่างแท้จริงนั้นคืออะไรเรายังไม่รู้นะทุกคนยังไม่รู้เพราะว่าเรายังไม่เคยเป็นครูอนะเรามีคือยังไม่เคยเป็นพ่อแม่คนอนะพ่อแม่คนเราก็ไม่รู้จักตามเป็นจริงเพราะเราเป็นลูกคนอยู่ เรายังไม่เคยเป็นครูเรารู้จักครูแต่ไม่รู้ถึงครูมันเป็นซสอย่างนี้เหมือนกันกับเราเห็นคนแก่ไม่รู้จักคนแก่นะเห็นคนแก่ไม่รู้จักคนแก่เห็นแต่คนอื่นเขาแก่เราจะแก่อะไรก็ไม่รู้เรื่องเมื่อนอนมา่ฟันน่ะมันโยกน่ะเออคนแก่เป็นอย่างนี้นะเนี่ยเมื่อหลังเงางอมอือคนแก่เป็นอย่างนี้เมื่อเราเป็นนงอยู่ไม่รู้จักคนแก่ รู้แต่ไม่รู้เห็นคนแก่ไม่รู้คนแก่ถ้าเราเป็นคนแก่รู้ละทิ้ตาก็ไม่สว่างแล้วหูก็ไม่ได้ยินแล้วหลังก็ง่อมไปแล้วนะรู้และออกคนแก่เป็นอย่างนี้ไอ้คนหนุ่มนั้นไม่รู้จักแต่คนแก่บรรยายถึงเรื่องคนหนุ่มนั้นรู้จักเพราะมันผ่านมาแล้วอย่างนี้ทุกอย่างใ้ความฉลาดที่มันมีอยู่ในใจของเราตัววา น, นี้ไม่พอไม่พอในชาตินั้นบัดนี้เราเป็นเด็กนักเรียน เ่อไปเราจะได้เป็นผู้ใหญ่หรืเป็นครูเป็นคนสอนคนเราจะต้องพยายามสอนตัวเราเก็บทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราเป็นนักเรียนขึ้นไปเป็นจนตลอดเป็นครูให้รู้จักอืมวิสัยเราเป็นเด็กยังไงเป็นนักเรียนเขาต้องรู้เท่านั้นแหละนี่ขึ้นไปนี่เเ น, นี่ยอวิธีการเรียนการสอนคนเราสอนคนทําไมคนไม่เชื่อเรา พูดกับนักเรียนนักเรียนก็ไม่เคารพไม่่อยเชื่อเราว่ายังมีเหตุอยู่ว่ามันมีอะไรไหมมันจะต้องมีอะไรอยู่ไอครูไอนักเรียนไม่เคารพเราพูดไม่ค่อยฟังเรานี่เรามันมีอะไรอยู่มันมีอะไรอยู่ในตัวของเรานั้นที่ยังไม่พร้อมเราควรแก้อันนั้นซิ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 ถ้าเราฝึกฝนเช่นนี้แล้วนะไอ้ความรู้อันนี้น่ะมันจะกคงเปรียวกระทำมาอันนี้เป็นธรรมชาติที่ดีมากต่อไปเราจะเป็นเปนคนเป็นคนปกครองคนเป็นผู้ใหญ่นะเป็นเจ้าเป็นนายนะรักษาผืนแผ่นดินเมืองไทยเรานี่ไว้อนีเพราะเราเพราะรุ่นทำรร ม, มา ก, ก่อนๆอัน น, นี้ก็กไปแต่แก่และถ้าเราทําไม่ดีกับพาลูกหลานของเราวอดวายแล้ไม่เหลือแล้วนี่เราต้องเรียนทางธรรมะ ธรรมะนั้นน่ะเหมือนเกลือไอความรู้ของพวกเราทั้งหลายนั่นเหมือนกัะเนื้อหรือปลามีปลาเนื้อมันอร่อยอยู่ในจะเกีบใบไม่ได้เพราะอะไรมันเน่านี่จะต้องมีเกลือใส่เข้าไปถึงเก็บใบานานไปได้ความรู้เรามีอยู่ธรรมะไม่มีความรู้เรามีอยู่ความดีไม่มี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 มันหมดไปไอ้ความชั่วทั้งหลายเห็นง่ายไอ้ความดีมันเห็นได้ยากก็ต้องพยายามอดทนฝึกฝนอย่างเราเรียนวิชาความรู้นี่เหมือนกันฉันนั้นแต่มารู้แล้วก็ให้มันดีรู้ไม่ดีเดี๋ยวมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่เหมือนกับเรามีกําลังนะเอาไปรบราฆ่าฟันกันอย่างอื่นมันก็ไม่ดีเ่ยเอาไว้ทําการทํางานที่ถูกต้องนี่มันก็เกิดประโยชน์เท่านั้นไอ้ความรู้นี่เหมือนกันฉันนั้น ถ้าหากว่าไปตั้งอยู่ในคนอันตรพาลแล้วก็เหมือนเอ า, เ อ, าอาวุธใส่มือโจรเท่านั้นแหละความรู้ไปตั้งในทุนพานแล้วทำอะไรให้วอดวายหมดความรู้สีไปตั้งในนักปราชญ์จะแย่เป็นต้นจะทำประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญขึ้นจะต้องมีเมตตากรุณามุติตานี่เมื่อเราทำสมาธินี้มีเหตุผลอย่างนี้ปัญญามันจะเกิดอย่างนี้มันจะออกความคิดอย่างนี้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 เกีหาสถานบ้านช่องก็ดีนะไอความดีนี่เดี๋ยมันช่วยเราเราทําความดีมาแต่เมื่อวานนี้ก็ดีเถอะมาดีมาถึงวันนี้วันนี้เราก็ทําความดีต่อไปถึงพวงนี้ปีนี้เราทําความดีอยู่เป็นต้นมั้ก็เจีอจูนไปถึงุงปีหน้า ต, ต่อต่อไปเรื่อยๆไปชาตินี้มีอยู่ก็ชาติหน้าก็ฉั น, นั้นเหมือนกันไม่มีอย่างองื่นนอกจากทําใจของเรานี้ให้สงบนะครับอดทนเมื่อถูกอารอมณ์มาวุ่นวายมานิดๆนหน่อยๆก็อดทนเอว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 การทำสมาธินี่มีจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วมันก็เห็นชัดเมื่อเห็นชัดแล้วปัญญามันก็เกิดปัญญาเกิดแล้วมันก็เห็นสิ่งที่ผิดที่ถูกเมื่อเห็นสิ่งที่ผิดที่ถูกแล้วมังกระสิ่งที่มันผิดมันก็ประพฤติสิ่งที่มันถูกเท่านั้นงมื่มันถูกแล้วมันก็ดีมันก็ชอบเท่านั้นตรงนั้นคือผลที่เกิดกันมาวันนี้พวกนักเรียนและครูทั้งหลายนั้นมาอบรมอาสินอบรมสมาธิอบรมปัญญา แต่ว่าจะหากว่าใครจะเป็นครูหรือเป็นนักเรียนก็จริงถ้าใครจะมีส่วนตัวมาบินเวลาพักร้อนหรือเวลาใดต่างๆนั้นจะมาขออาศัยวัดน้งประพงก็ได้มาทำมาทำกรรมฐานกั้เขาสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์สามวันสี่วันก็ได้ให้โอกาสทีนี้แต่ความวุ่นวายของพวกเรามันมากขึ้นมาตรงมาสร้างกาลังกิจอาตมาไป อ่ายุโรปก็ก็มาฝึกมาฝึกกันอย่างเงี้ยมันวุ่นวายมากบ้านนั้นเออจนมันไม่อยากเอาบ้านเอาช่องเอาเงินเอาทองซะแล้วมันวุ่นวายเหนื่อยพอไปตั้งกรรมฐานกันหนึ่งมากเต็มมันมานั่งแต่เขานั่งเขานั่งทนกว่าคนไทยเราหนะคนไทยเรานั่งไปถึงสามสิบนาทีอะละแล้วอยู่ทํงางาไปฝึกพรดังครัง้งแรกสามสิบนาทีนะี่ย ต่อไปอีกไปถึงอาทิตย์เลยเอาให้มันชั่วโมงนะในชั่วโมงหนึ่งต่อไปอขออีกชั่วโมงสามสิบนาทีมันนั่งกันดีเนยเขาไม่รู้จักอะไรนะไม่รู้จักอะไรเขาดจักเต็มประจิตเขามันวุดวายเท่านั้นไม่รู้จักสิ่งที่ระงับสงบมันแล้วไปถึงที่โอ้โหพวกนี้มากด้วยกันพวกนี้มากพวกนักเรียนพวกครูพวกนางพยาบาลเนี่ยเบื่อเบื่อและก็นี่เบื่อแล้ว หาความสงบทางจิตใจแล้วไปตั้งเป็นกลุ่มเมื่อภปได้ออกมาตั้งแต่เขาทําดีนะเข้ามาทุกวันเขาไม่ดูจักบรรพะวันเจ้าแต่เขาดีกว่าเรารู้จักบรพบรพะวันเจ้าคือเข้ามาทุกวันนั่นเอเราบ่นกันมาเออไอ้ไ อ, อ้อออออมึงมีไม่ดูจักบรพบรพะวันเจ้ามันเป็นเปรตเป็นผีซะแล้วเ ร, เราคือเนืว่าเราดีเต็มที่แล้วเมื่อไปถึงที่เขาไม่ดูจักบรพบรพระวันเจ้าจริงๆเนี่ยมันดีกว่าเราอีกมาทุกวัน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 จับฝรั่งอนี้เขาอยู่นั่นเ น, นี่ยหรือเนี้ยดีมากสนใจมากกำลังสนใจไอ้คนที่จมอยู่ในในในโคลนมันก็จมจริงๆไม่รู้เรื่องไปเห็นพระไม่รู้จะบอกเป็นผู้หญิงผู้ชายมันเห็นพระมันมองมันมองจะคุนนั่นไปเอจะไปห้องสุขาเนี่ยจะไปห้องสุขาแต่ห้องสุขาผู้ชายเหรอไม่ให้ มันไปในห้องสุขาผู้หญิงใชไหมันไม่รู้จักเลยนะมันไม่รู้จักอือันนี้สถานคนที่ไม่รู้จักก็ไม่รู้จักจริงๆงไม่รู้จักเลยไม่รู้จักไม่รู้จักว่ามีตัวอะไรก็ไม่รู้เรื่องอืมเพราเราไปห่มผ่าก็ไม่เคยเห็นนี่ประเทศเขามันหนาวจงผมหนวดดวงรังมันหนาวเพราเราไปโกนออกเสีซ้ำมันก็รักกันนี่มันก็ไปกันในทิศในทางก็จะดูอันนี้ตัวอะไรคนมาจากไหนเป็นอะไร มันเป็นอะไรท่ับผู้หญิงผู้ชายในรู้เรื่องถึงขนาดนั้นที่คนมันเบื่อมาแสดงให้ความสงบแล้วก็ดีมากที่สุดมันกลับกันอื่อ่าแต่สนใจมากและง่ายด้วยง่ายพูดง่ายเลวยมันมันถึงขินมันก็ไปทําสอนเนี่ยมันก็ไปทํามันเกิดความสงบเกิดสมาธิขึ้นมันก็เห็นความสงบในที่นั้นไอ้พวกนั้นสอนสมาธิก่อนศีลไม่ต้องสอนคือศีลเขาไม่ต้องอะไรเนะียมันพอเนี่ย ไมหาคนฆ่าสตว์นั้นไม่มีหลักฐา น, นไม่มีอะเรื่องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่อย่าไปอย่าไปนั้นเนี่ยมันเป็นที่พี่ของเขาหรือเป็นบริษัทอยู่อย่างถ้ากินสัตว์เล็กสัตว์น้อยกระรอกกระแจี๊นี่ไม่มีแล้วอืมกระต่ายนี่กินอยู่กลางวันเป็นฟุ้ฝูงนำนาเนี่ยอืมนี่บ้านเรามาคิดมาถึงบ้านเราอุยมันมันดันก็ไปแทงแมงคุดยยีที่ไกว์เนาะต้อแม่มันนึกถึงกันไม่ได้ลำบากนี่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 เช่นอาตมากลายฟังว่าการทําความชั่วความดีนี่ทําแล้วไม่เสียหายทําแล้วต้องเห็นต้องเป็นไปทําที่ไม่มีคนเห็นไม่มีทางเราทํำทาดีตรงไหนก็เลยดีตรงนั้นน่ะคนไม่เห็นน่ะก็ดีอยู่คนไม่เห็นอ่ะเราก็เห็นเราเราก็เป็นคนเราทําดีอยู่เราเห็นอยู่นี่มีอาศัยความดีอย่างนี้เราทําความชั่วงเหมือนกันมีคนเห็นอยู่อถ้าคนอื่นมาเห็นเราก็เป็นคนเราก็เห็นเราอยู่เนี่ย เหตุผลอย่างนี้มันหนีไม่ได้แลวมันต้องทำดีทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นตัวของเราอย่างนั้ น, อนเอาละวันนี้การอบรมสินอบรมสมาธิอบรมปัญญาถ้าหากอยาจะทำสมา ธ, มธิทุกครั้งอยู่ตามบ้านของเรานั้นก็ทาแบบนี้ถ้าหากว่าใครสนใจมาด้วยส่วนตัวก็ได้มาศึกษาใหม่ทำได้แต่ว่าอย่าเดิม น, นะ อย่าลืมว่าสมาธินี้คือความตั้งใจมัน่นใจมั่นอะไรไปที่ไหนเดินจงกรมหรือเดินไปโรงเรียนมาจากโรงเรียนทําการงานอย่าลืมความตั้งใจมั่นนะใจมัน่นเลยใจมั่นจะไม่ทำความชั่วจะไม่ทำความผิดจะไม่ทำความเหนียวแหลกอันใดแกต่ตนเองแก่บุคคลอื่นนี่เดี๋ยวว่าสมาธิยืนไปก็ให้พิจารณานั่งกปัปปีนาอยู่ที่ไหนก็ให้รู้จักตัวอยู่อย่างนั้น รู้จากความผิดชอบเราอยู่เสมอว่าวันนี้เราคิดอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่เราเป็นอะไรอยู่เราทำผิดหรือเราทำถูกเดียวนี้นี่อย่าลืมนะอันนี้ให้ภาวนาไปด้วยพิารณานี่เป็นสามาธินี่เรื่องการปฏิบัติธรรมอันนี้เนี่ยโอกาสทั้งหลายนี้ที่กราวมณีขอฝากครูทั้งหลายและนักเรีย น, ยนท้งหลายที่มีศรัทธามารวมในวันนี้เวลานี้ก็เห็นจะพอสมควรกับการตับเวลาแล้ว ผลที่สุดนี้ก็จึงมอบให้ครูกับนักเรียนทั้งหลายนี้มาวันนี้มีศรัทธานำตัวเองมาและกนำนักเรียนมาเพื่ออบรมบ่มนิสัยเพื่อฝึกฝนการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยนี้ไม่ใช่แต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราทนะ่านทำให้เรานะไม่ว่าจะครูนะเรือจะมานะอนาจมาอบรมให้เพียงแค่นี้ การกระทำเป็นของครูและนักเรียนทางไหนที่จะทำเอาเองถ้าหากอัตมาอบรมแล้วปกอบอบรมตัวของเราต่ อ, ตอไปนักเรียนทุกคนก็ฉันนั่นนั่นกันขอฝากธรรมะอันนี้ขอฝากการกระทามา น, นี่ขอฝากข้อประพฤติอันนี้ปฏิบัติอันนี้ม า, มาฟังทมแล้วจะต้องมีธรรมะติดไปให้มันเกิดประโยชน์ ท่านอบรมเราแล้วเรารับรู้แล้วเราก็มาอบรมเราต่อไปนี่เป็นวิสัยของพระพ UT ุทธเจ้ากับสาวกสาวกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนให้เท่ า, น, า น, นั้น่ยท่านจงทำอย่างนี้ท่านจงทําอย่างนี้เท่ า, น, ท า, น, ทา น, นี้เองรู้เอาเองเห็นเอาเองรู้จักเอาเองเป็นอย่างนี้หากว่าอาศัยแต่พระพุทธเจ้าบอกเท่านั้นไม่ทําตามมันก็ไม่ได้เท่านั้นเนี่ยวันนี้ก็เหมือนกันฉังนั้นอันนี้เอาไปเป็นอนุสอนไว้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 คนหมดเจ้าของเห็นไหมคนเป็นดกุกษัตริ์อยู่ตามตลาดแต่เห็นไหมนั่นคือคนไม่มีเจ้าของนะเนี่ยไปพบกระสังมันหอบเอาไปพบผ้าขาดมันก็หอบเอามันยิ้มไปตลอดเวลาของมันมันเพลินอยู่มันสะดวกสนานกระคนอยู่ในเ บ, บนืองอุบลนั่นคือคนไม่มีเจ้าของให้เป็นคนมีเจ้าของถ้าพูดคำหยากเพราะว่าคนเป็นบ้าอ่านี่ยัส ต, ตินี้ การไม่มีสติการไม่รู้จักจะของมันเสียอย่างนั้นอย่าให้เก็ฑอย่างนั้นแต่งจงะระลึกได้ว่าวันนี้เราไม่อบรมวัดหลองประโพงแล้วให้มีอะไรจิตตีนจิตมือไปจิตจิตจิตใจไปประพฤติปฏิบัติอันนี้ไล้โอกาสเวลาก็พอสมควร้วยอำ น, นาจของปัจฉิรศาสนาใคือประพฤติหนึ่งประทันหนึ่งประสงหนึ่ง จงปกปักรักษาของพวกท่านทาั้งหลายผู้มาอบรมวันนี้นําธรรมะไปประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เกิดกําลังกายกําลังวาจากําลังสัญญาให้เป็นผู้ถึงความสงบระงับด้วยขอวัดปฏิบัติการถูกต้องขององค์สมดิปปชมาสามพระเจ้าผลที่สุดนี้ขอพวกท่านทาั้งหลายทั้งครูด้วยทั้งนักเรียนด้วยทั้งหมดนี้ จงเป็นผู้มีความสุขความเจริญงอกงามในนาทีการงานของตทนทุกๆคนคือ